สิขาบทที่แปเรื่องพระชัพคี614สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตรุงสวัสีครั้งนั้นผู้ พ, พิสูจชาพคีมุ่งตำหนิจึงมองดูบาทของภิกษุเหล่าอื่นพระบัญญัติแปดพึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่มุ่งตำหนิมองดูบาดของภิกษุเหล่าอื่นเรื่องพระชพคีจบ ศิษยาบทวิพังภิกษุไม่พึงมุ่งตำหนิมองดูบาตรของภิกษุเหล่าอื่นพิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อมุ่งตำหนีมองดูบาดของภิกษุเหล่าอื่นต้องอาบัตทุกกฎอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ1นพิกษุไม่จงใจสองพิกษุไม่มีสติ3าพิกษูผู้ไม่รู้4ีพิกษุแลดูด้วยตั้งใจว่าจะเติมของฉันให้หรือสั่งให้เขาเติมถวายห้พิกษูไม่มุ่งจะตำหนิ 6. ภพิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 7. ภพิกษุวิกลจริต 8. ภพิสษุต้นบัญญัติสิขาบทที่ 8. จบ